ช่วงวันหยุด น, นเก็บวันลาไว้เวลาก็าไปวัดมันคือการลงทุนให้กับตัวเองพักพวกกันเขาถึงวันหยุดนึงเขาก็ไปเที่ยวกันนัดกันไปเที่ยวที่น้นที่ น, น, นี้สุดท้ายผ่านวันผ่านเวลามาเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง นณะที่พวกที่เขาอยู่กับโลกเขาก็เป็นแต่แก่ใหญ่แก่อยู่กับโลกชีวิตมันว่างเปล่าเกินไปมันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแต่คนส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนั้นยินสีเขายังไม่แก่กล้ายัางติดอยู่ในโลกคิดว่าโลกจะให้ความสุขกับตัวเอง มันสุขชัวคราวความสุขในโลกความสุขที่เจือปนด้วยความทุกข์เสมอสบายใจป่อเดี๋ยวนั้นก็ไม่สบายใจมีสิ่งน้้นสิ่งนี้อราคิดว่าจะให้ความสุขมีแฟนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอยากมีความสุขบางคนเนี่อยากมีบ้านใหญ่ๆมีความสุข บ้านใหญ่มันก็ใหญ่แต่บ้านคนอยู่ในบ้านไม่ค่อยจะมีสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พออยู่ไปนานๆพอแก่ลงมานะมันก็ว่างเปล่าไปหมดะสิ่งที่เคยเห็นความสําคัญนะมันก็หมดความสําคัญไปมันไม่เหมือนธรรมะนะ เราอยู่กับธรรม ะ, ะภาวนาของเรา ท, ทุกวันทุกวันผ่านวันผ่านคืนไปหลายๆปีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันเห็นได้เรื่องบางเรื่องถ้าสมัยก่อนถ้ามากระทบเราแล้วเราจะเดือดร้อนมากพอเราภาวนามาเยอะๆะเราเห็นว่าอะไรๆก็ธรรมดา แม้ระทั่งเราจะตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะตายอย่างนึกนะว่าในชีวิตเราเราสร้างคุณงามความดีมาเยอะแนละ้วได้ใช้ชีวิตมีประโยชน์เต็มที่ลนะถึงเก่าจะตายอนยะ่างเงี้ยมันไม่เสียดายไม่เสียดายไม่อะไรอวรนแค่ชีวิตได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่านะ ในขณะที่คนส่วนใหญ่นะพอรู้ตัวว่าจะตายนะมันจะเริ่มคํามขรวนถ้ารู้ว่าจะต้องตายอย่างนี้นะก็ยังมีสิ่งที่อยากทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะอย่างยังไม่เคยบอกกับแม่อะไรว่ารักแม่อะไรไม่เคยบอกสักคำว่าจะตัวเชิญแต่ตายพูดไม่ออกแล้วอยากจะบอกแล้วก็มีแต่เรื่อง คิตแล้วเสียใจส่วนใหญ่งั้เราเลือกทางชีวิตของเราถูกแล้วมีเวลาก็เข้าวัดภาวนามาวัดเพื่อมาเรียนวิธีปฏิบัติได้วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเรานันะไม่ใช่ปฏิบัติตอนอยู่วัดออกจากวัดแล้วก็หลงโลกเหมือนคนอื่นๆเข้ามนก็ไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นนั่นแหละ หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงพู่ดลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็ดูทุกวันดูไม่เลิกเลยเวลาจะขี้เกียจก็จะเหมือนหลวงปู่ดุลมามองเหมือนท่านมองหน้าเราอยู่ไม่กล้าขี้เกียจเวลาจะคิดชั่วเหมือนท่านมองเราอยู่เวลาจะพูดชั่วจะทำชั่ว เหมือนครูบาาจารย์อยู่กับเราเราไม่กล้าทำอยากขี้เกียจภาวานาบางวันมันเหนื่อยอยู่กับโลกทำงานหนักบางวันเหนื่อยคืนนี้ขอนอนเลยไม่ภาวานาลงไปนอนแล้วก็ต้องดีดตัวขึ้นมาภาวานาเหมือนครูบาาจารย์มองเราอยู่ท่านคงไม่ได้มานั่งมองเราหรอก แต่ใจเรานี่มันผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์มันแสดงให้เราดูเองว่าลูกศิษย์มีครูนะมันเป็นยังไงไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่มีครูลูกศิษย์มีครนะูถึงรับหลังครูนะก็เหมือนครูอยู่กับเราใจมันคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์มันไม่กล้าขี้เกียจไม่กล้าทําชั่ว มันละอายแก่ใจตัวเองเราได้ครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์หมดจดแต่เราสกกโผล่ลึกเกินเมื่อไรเราจะสะอาดอย่างท่านบ้างใจมันจะมีความดิ้นรนกลนั่นกไหยู่บ้านก็เหมือนอยู่วัดนี่นแหละคือวัดใจของตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมันก็วัดใจตัวเองไปแล้วใจเราวันนี้มีกิเลสอะไรบ้างละ่ะ อย่าตื่นเช้ามาวันนี้วันทํางานขี้เกียจไปทํางานมองเห็นความขี้เกียจนลยมองเห็นความขี้เกียจหัดใหม่ๆนะดูมันก็ไม่หายนะตอนหัดแรกๆดูไม่หายก็ต้องอดทนถึงเวลาต้องลุกไปทํางานแล้วก็ลุกขึ้นมาไปเข้าห้องโนงห้องน้ําะไรไม่นอนบิดไฟบิดมาเสียเวลาลวก็อดทนเอา วัดใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรวจสอบไปเรืเ่อยๆไประยะระยะสามเดือนที่ผ่านมานี้เรามีคุณภาพของจิตใจเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่าวัดรายวันนะวัดรายวันไม่ได้เพราะแต่ละวันเนี้ยเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเรากดูภาพรวมของจิตใจเราสักสามเดือนแบบสภพักนะี้ยประเมินผลสามเดือน เราจะเห็นเลยสามเดือนนี้เราถือศีลได้ดีขึ้นไหมสมาธิเราดีขึ้นไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมหรือหลงหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงโลกมองเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นไหมหเจริญปัญญาได้ไหมนี่เราจะวัดใจตัวเองหลวงพ่อนะสามารถวัดถึงระดับที่ว่า กิเลสนะั้นเราล้างเด็ดขาดได้กี่ส่วนยังเหลืออยู่กี่ส่วนในส่วนที่เหลืออยู่นะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์วัดตัวเองตอนนี้วัดได้ยี่สบเซแล้วก็ดีใจผ่านไปอีกสามเดือนนะได้ย2สบอเอซนเงี้ยวัดไปเรื่อยๆไม่ได้ทำเพราะโลภนะแต่มเป็นการประเมินผลตัวเอง ถ้าภาวนาแล้วกิเลสไม่สะเทือนเลยเนะี่ยต้องมีอะไรผิดลนะ่ะคือการประเมินผลตัวเองไม่ได้ทําพรโลภเหลืออีกเท่าเนี้ยจะบรรลุเป็นผ้านาคาจะเป็นโน้นเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเราวัดใจของเราวัดกิเลสของเรานะช่วงที่ผ่านมาเนี้ยทําไมมันเหมือนไม่มีกิเลสเลย ใจมันสงบมันว่าสว่างมีแต่ความสุขอยู่ได้เป็นปีเนี่วัดใจตัวเองวัดกระทั่งเห็นว่ากิเลสมันหายไปไหนกิเลสยังเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นะมันหายไปไหนอะไรเงี้ยจะต้องมีอะไรผิดต้องภาวนาผิดพยายามดูตัวเองมันผิดตรงไหนการดูตัวเองว่าผิดตรงไหนเนี่ยหลวงพ่อแนะนํำ พ่อผ่านมาด้วยตัวเองนละเวลาที่ดูที่ดีที่สุดนะคือเวลาที่ตื่นนอนแล้วเราวัดกิเลสกันตรงที่เพิ่งตื่นนะนะถ้าหากเราภาวนาแล้วมันไปติดอะไรว่างๆไปติดอะไรนิ่งเนไม่มีการพัฒนาเราก็คิดว่าเราภาวนาอยู่ทุกวันทำไมไม่พัฒนาให้ดูตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนเนี่ยพอจิตขึ้นจากพวัง เราจะเห็นเลยว่ามันเริ่มคิดคิดว่ า, าวันนี้เราจะภาวนาอย่างไงดีพอคิดถึงการภาวนาท่านนั้นนะจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปในช่องทางที่มันเคยชินอย่างตอนที่หลวงพ่อภาวนาผิดบางทีนะจิตเราคิกว่าถูกสังเกตตอนตื่นนอนโอ้จิตมันเคลื่อนไปสร้างภพที่ละเอียดอยู่ข้างใน สร้างพบว่างๆอยู่ข้างไหนเนี่ยพอเรารู้ว่ามันไหลเข้าช่องนี้ต่อไปพอมันจะไหลเข้าช่องนี้อีกสติเกิดเลยสติเกิดอัตโนมัติเพราะสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเราเห็นสภาวะแนละ้วพอตื่นนอนปุ๊บคิดถึงการภาวนานะมันจะเริ่มไหลเข้าโดยตามความเคยชินจะเริ่มไปปรุงแต่งจิตให้ว่างๆสว่างให้นิ่ง ให้ดีเนี่ยเราถูกกิเลสหลอกแล้วเราไม่เห็นเราดูเอาสังเกตเอาทาไมมันไม่พัฒนาเลยมันดีตลอดนะแทนที่จะไม่เที่ยงนะมันก็เที่ยงแทนที่จะทุกข์มันเห็นแต่สุขแทนที่จะบังคับไม่ได้มันเหมือนถ้าบังคับได้ทุ ก, กวันอยู่อย่างเงี้ยะมันโดยว่างอยู่ข้างในมันไปแต่งขึ้นมา มันเหมือนพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติอ่ะพอหลวงพ่อบอกอ้าลงมือปฏิบัติซิเราจะรีบแต่งทันทีเลยนะเริ่มขยับแต่งร่างกายให้ดูดีแล้วก็แต่งจิตแต่งจิตให้นิ่งๆขลึมๆอะไรอย่างนี้นนเดิมเราคิดว่าตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยไม่ได้ปรุงแต่งแต่เราสังเกตตอนตื่นนอนนะไปคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันรีบยกตัวขึ้นมาเลย จะเรียบทำขลุ้มๆพอรู้ทันตัวนี้เราก็ผ่านปุปสั่งกับดับตัวนี้ไปได้หลวงพ่อใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยใช้การสังเกตอย่างแยบใครอย่างภาวนาเราวัดใจของเราไปเรื่อยเลยแต่ทั้งใจดีตลอดเลยยังต้องมีอะไรผิดเลยส่วนวัดใจว่ามีโรบกรดลงอะไรในะ่นเรื่องธรรมดา หาดใหม่ๆก็วัดได้แล้วในตรงที่ดีๆแล้ววัดว่ามันไม่ปกติมันไม่ปกติมันผิดปกติมันดีเกินไปดีเกินชั้นเกินภูมิก็สังเกตว่ามันมันผิดตรงไหนสังเกตอยู่เป็นวันๆมองไม่เห็นนะไปสังเกตตอนตื่นนอนตอนที่ตื่นนอนทำไมสังเกต ง, ง่ายพอาตอตื่นนอนใหม่ๆเนี่ย จิตมันยังไม่มีมารยาเองนักปฏิบัติยังไม่ได้มารยาว่าเราเป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นจิตมันจะเป็นธรรมชาติเป็นปกติตื่นนอนขึ้นจากภาวังะนี้จิตจะเป็นธรรมชาติของเราเองแต่พอเราคิดถึงว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติเราจะปฏิบัติจิตมันจะสร้างพบของนักปฏิบัติมันจะไหลเข้าไปปรุงแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาให้ดูดี จะพูดจาก็ดูดีนุ่มนวลพูดชา้าช้าจะเคลื่อนไหวก็ให้ดูดีให้ดูเคลื่อนไหวมีสติก็เคลื่อนไหวชา้าช้าไม่ได้เรื่องหรอกจะเคลื่อนไหวเร็วๆก็มีสติได้นะถ้าสติมันจะมีเนี่ยดูที่ง่ายที่สุดนะดูตอนตื่นนอนพอคิดถึงว่าเราอย่าปฏิบัติปุ๊บมันจะสร้างภพอพนะักปฏิบัติไลสังเกตไปวันเดียวดูไม่ออกก็ดูมทุกวัน เดี๋ยวก็ดูออกโง่มันมาสร้างอย่างนี้เองพอสร้างอย่างนี้รู้ทันนะมันหลอกเราไม่ได้พอมันหลอกเราไม่ได้แล้วเนี้ยมันจะเปลี่ยนวิธีหลอกใหม่กนะิเลสเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยหลอกแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหลอกอย่างอื่นบางทีมันก็บิ้วเรานะกระตุ้นเราบางทีคล้ายมานจัดสรร น, นะเราจะสู้กับราคะ บทวันนั้นนะ่ะที่ตั้งใจจะสู้กับราค้าเป็นพิเศษนะใจทําผิดแล้วนะคิดจะสู้กับราค้าเป็นพิเศษวันเนี้ยจริงกิเลสอะไรเกิดเมื่อรู้เอางั้นนะ่ะไม่ใช่จงใจจะไปดูตัวนั้นตัวนี้พอตั้งใจวันนี้จะสู้ราค้าเป็นพิเศษนะั้นตั้งแต่ต อ, ออกจากบ้านนี่นะเจอแต่ผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยหันไปทางไหนก็เจอแต่คนสวยๆหนะน้าดูทั้งนั้นเลย ไปถึงที่ทำงานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลดอกไม้ก็สวยทั้งนั้นเลยผู้คนก็ดูเบิกบานสดใสโอกิเลสนี่แมะมันสุดยอดจริงนะในสุดจิตแล้วก็แพ้ราคานะเลเลินโอน้องก็สวยนี่ก็ดีอยากดูอยากรู้อยากเห็นเลื่อเลินลืมดูกายดูใจนี่เห็นไมมารยาของกิเลส น, นะไม่ใช่เล่นๆ น, นะ กว่จะสู้ได้ต้องอดทนต้องสังเกตทําไมหลวงพ่อสอนธรรมะหลวงพ่อสอนได้ผงผางไม่กลัวใครเลยเพราะหลวงพ่อทําผิดมาเยอะมากเลยอะไรที่ผิดๆเนี่ยนะทํามาได้เยอะแยะเลยนั้นเวลาพวกเราทํากรรมฐานเนียหลวงพ่อบอกได้เต็มปากเลยอย่างนี้ผิดไม่ใช่จํามาไม่ได้อ่านหนังสือมาแต่เคยทํามาแล้วอะไ กรรมฐานที่หลวงพ่อไม่เคยทานะี่สิ่งที่ผิดที่ไม่เคยผิดนี่แทบไม่มีเลยไม่เคยผิดอย่างฆ่าคนอะไรยงี้ไม่เคยผิดนะแต่เกลียดคนเงี้ยมีทุบตีคนเนี่ยไม่มีแต่ใจมันอยากฆ่าทิ้งอะไรยาเงี้ยอยากทุบมันอยากต่อยมันอยากกระทืบมันอนะเี้ก็เคยเป็นไม่ใช่ไม่มี สมัยที่ล้มลุกลุกคลานต่อสู้มากิเลสก็ไม่ได้ต่างกับพวกเรานี่แหละความต่างกับพวกเราก็คือหลวงพ่อฝึกสมาธิมาะตะัเด็กเวลาใจว้าวุ่นหลวงพ่อก็กลับมาหายใจไม่นานก็สงบพอใจสงบแล้วสติปัญญามันก็เกิดมันก็พิจารณาได้ว่าเราทำอะไรผิดอยู่ตรงไห น, นบางทีนะเมื่ไปทำอะไรผิดมาจะเสียใจ ไปคิดถึงที่ไรก็เสียใจทุกทีเรานึกว่าอย่างนี้ดีนะสำนึกผิดดูไปดูไปไม่ใช่หรอกกิเลสมันหลอกในเรื่องที่ทามาอย่างไปด่าคนมานะี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วยนี่ยไปคิดถึงมันไปคิดถึงสัญญาไปคิดถึงนะสังขารมันก็ปรุงปรุงเสียใจเสียใจว่าไม่น่าไปว่าเขาเลยทำให้เขาเสียใจอะไรอย่างนี้ หลวงพ่อเนี่ยแค่ทําให้คนอื่นเสียใจก็เสียใจแล้วนะทำไมก่อนเนี้ยรู้สึกว่าแย่ทั้งเลยไม่ควรเลยไม่ควรทําอย่างนี้เลยสหลังมาดูเอ้นี่มันกรรมใหม่ละกรรมเก่าอนะมันจบไปแล้วไปว่าเขาก็ เ, าเกิดวิบากเรียบร้อยแล้วคือเขาเกลียดที่หน้าเราะรับกรรมไปแล้วเจอแล้วเขาก็เกลียดเราเนี่ยได้รับผลลงกรรมแต่ใจเราเนี่ยสัญญามันจํา จำเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็ลงโทษตัวเองซ้ําไปเรื่อยๆค่อยๆตกนรกยืดเยด้อไปพอรู้ทันนั้นนรกนี้แตกเลยรู้ทันวันนี้จิตเราหลงอยู่กับสัญญาเก่าๆความเศร้าโศกเสียอกเสียใจว่าแหมไม่น่าเลยเลยก็ดับไปเนี่มนยมารยาของกิเลส น, นะเยอะแย่ไปหมดเลยการที่เราคิดถึงว่าเราทําอะไรไม่ดีไว้น มันเหมือนเราทบทวนตัวเองเหมือนเกตเป็นการทํากรรมดีใช่ไหมการทบทวนตัวเองเป็นกรรมดีนะแต่พอทบทวนแล้วเกิดกิเลสตามมาเนี่ยเศร้าหมองตามมาแล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้เสียท่ากิเลสแล้วเห็นไหมชั้นเชิงกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดาน่ะมันเก่งจริงๆอ่ะหลอกเราอย่างนี้ไม่ได้มันก็หลอกเราอย่างนี้หาเรื่องมาหลอกเราได้ทุกวันนะอันไหนรู้ทันแล้วมันก็หลอกไม่ได้นั่นก็หายไปนานเลย ผ่านไปหลายๆเดือนนะเราลืมละไอ้ตัวที่เคยหลอกเราสําเร็จกลับมาหลอกสําเร็จอีกแล้เวเปี่ยนกลับมาหลอกได้อีกเราก็แมมต่อสู้มากมายเลยนะที่สุดก็เอ๊ะตัวนี้เคยเจอมาแล้วตอนที่เคยเจอมาแล้วคือตอนที่สู้ชนะมันไปแล้วตัวนี้เคยเจอเนี่ยแต่ครั้งก่อนสู้ด้วยวิธีอย่างนี้ครั้งนี้วิธีอย่างนี้นนทีเดดตัวเดิมอะเอาวิธีเดิมๆไปใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ต้องไปจำมาหรอก กิเลสมันเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเวลาเราปฏิบัตินะมันต้องเกิดรรม้าสดสดร้อนร้อนขึ้นมาสู้กันยังเคยพุโทโธพุโทโธแล้วกิเลสหายนะมาพุโทโธอีกไม่หา ย, นะยาจะต้องมาหายใจเคยหายใจแล้วหายนะคราวนี้ไม่หายนะต้องมาเจริญปัญญาอะไรเงี้ยมันะเคยเจริญปัญญาพิจนรณาไตรลักษณนะ์แล้วมันหายอ้าวคราวนี้ไม่หายอีกแล้ว กิเลสนะชั้นเชิงมันเยอะนะมันพัฒนาตัวเร็วไวโควงโควิดอะไร น, นั่นอะีกนั้นวัคซีนที่จะใช้นะไม่มีสำหรับกิเลสนะมีแต่หลักของศีลสมาธิปัญญาภาวนาไปฝึกฝนตัวเองไปเรียนรู้ไปความฉลาดแหลมคมมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะสุดท้ายมันก็พ้นจากความปรุงแต่งได้ ได้อัดไปไหมเออดีแล้วที่ได้อัดไ้ทีแรกนึกว่าจะเทศไม่มีเนื้อหาสาระมันมีขึ้นมาก็เอาไปลงเด่นได้เอารูปอะไรใส่เข้าไปรูปหมารูปแมวอะไรใส่ก็ได้เอารูปหลวงพ่อใส่อย่างเดียวน่าเบื่อเม<า>ื่อสี่ปีก่อนใช่ไหม เราทุกร้อนกันแทบเป็นแทบตายนะเสียใจความเสียใจนะมันมีกันทุกคนแนะแต่มันไม่ได้เสียใจอย่างเดียวตอนที่พระเจ้าอยู่หัวสวนิคตมันมีความตกใจด้วยเพราะเราส่วนใหญ่เราก็เกิดมาในแผ่นดินรัชากาลที่เก้าอยู่มาตั้งเจ็ดสิบปีนะี่คุ้นเคยรู้สึกปลอดภัย เรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ตกใจกลัวกังวลกลัวความเปลี่ยนแปลงการกลัวความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเป็นธรรมดากลัวความเปลี่ยนแปลงตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกพวกเราว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความรู้สึกเนะีนะ่ยความเศร้าโศกผ่านไปลดลงความวิตกกังวลเปลี่ยนไป เปลี่ยนแผ่นดินแล้วแผ่นดินนี้เราก็ยังอยู่กันได้มีชีวิตอยู่ช่วงนี้ยิ่งสงบสุขกันมากเลยนะไม่ค่อยมีความวุม่นวายทางการเมืองสุดท้ายเราก็อยู่กันได้เวลาเราย้อนนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวองค์กนเราก็นึกถึงความดีอยู่ของท่านคิดแล้วมีความสุข คิดแล้วเกิดความสุขลึกๆไม่ใช่คิดแล้วเสียใจร้องไห้โหโหเหมือนแต่ก่อนละความรักในพระเจ้าอยู่องค์ก่อนเราก็ยังอยู่แต่ความเศร้าโศกเสียใจที่ท่านส่วนคตมันไม่อีกไม่ไ ม, ไม่เหลืออยู่เหลืออยู่ก็น้อยความวิตกกังวลว่าชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มันก็ไม่ได้ น, าน่าพิจต ก, กังวลเราไปยังอยู่กันได้เพนพวกเราจริงๆเนี่ไม่ต้องไปกังวลกับความเปลี่ยนแปลงแล้วความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดแหละแต่คนที่ดีคนที่เรารักตายไปเนะยเขาตายแต่ภายนอกเขาเข้ามาอยู่ในใจเราอย่างพ่อแม่เราเพื่อนฝูงเราที่เรารักอะไรเนี่ยเขาตายแรกๆเราก็เสียใจผ่านไปเราก็ไม่เสียใจต่อมานึกถึง นึกถึงเราก็มีความสุขบาทีนั่งยิ้มเลยนึกถึงเพื่อนคนนี้ที่ตายไปแล้วนั่งยิ้มเคยทำความดีมาด้วยกันเคยไปบัดมาด้วยกันเคยอะไรเลยเพราะั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของไม่ยั่งยืนหรอกอะไรๆก็ไม่ยั่งยืนทั้งหมดทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความดีทั้งความชั่วถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจ ะ, ะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเข้มแข็ง เวลาเราเผชิญปัญหาชีวิตมากมายบางคนเนี่ยตกงานมาตั้งหลายเดือนแนละ้วบางคนได้ข่าวมาบริษัทกำลังจะเลิกจ้างแล้วบาทีบริษัทจะเจ๊งนะใจใหม่ๆนะรวิตกงังวลแต่ถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็รู้ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แล้มันเคยมีความสุกมาตั้งช่วงยาวๆแล้ว แต่ถ้าเราไม่ประมาทนะช่วงก่อนเรามีไรายได้มีอะไรทไี้เก็บมาไว้นี้เรารู้แล้วว่าจะไม่ได้ทำงานที่เดิมแล้วเราก็ต้องคิดต่อแล้วอย่าหมดแต่กุ้มใจเสียใจ ค, คร่าครวญถึงอดีตมาคิดต่อว่าเราจะทำมาหากินอะไรต่อไปจะมีช่องทางอะไรคิดให้มันดีๆคิดด้วยใจที่มีสมาธิมีสติคิดมันจะได้ช่องทาง ดำรงชีวิตต่อไปใครๆมันก็ดำรงชีวิตยอยู่ได้หมามันยังอยู่ได้เลยไม่มีคนเลี้ยงมันก็ดำรงชีวิตได้เราก็อยู่ได้นะความยากลําบากอะไรมันผ่านเข้ามามันก็โว่วครั้งโชคคราวความสุขมันก็โว่วคราวแต่ตอนนี้มีความสุขเรามักจะเผลอเล อ, อย่าตอนมีเงินเดือนหลายแสนนั้นก็ใช้แหลกลานเลยไม่คิดจะเก็บหรอคิดว่าชีวิตนี้มั่นคง พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วมันไม่มั่นคงเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อมีตอนเนี้มันไม่มั่นคงขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอีกนะทุกข์เพราะว่ายึดมไปยึดมาอาดีตมันจบไปแล้วคิดถึงอนาคตวางแผนใหม่ไม่งั้นเราก็ทุกข์อีกนานทุกข์เพราะเราไม่ทาตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว ช่วงเวลาที่มีความสุขมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีกำลังก็เอาเวลาไปหลงโลกช่วงที่ความทุกข์เข้าถึงตัวเอาเวลาไปกล่ำครวนไม่มีเวลาคล่ำคลวนมีเวลาตั้งหลักขึ้นมาตั้งสติให้ดีนะแล้วก็คิดพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาจะสู้ชีวิตต่อไปอยังไงดี จะไม่รวยอย่างเก่าก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีชื่อเสียงอย่างเก่าก็ไม่เห็นเป็นไรดํำรงชีวิตยอยู่อย่างสุจริตแค่นั้นก็ดีถมไปละไม่มีอะไรในโลกนี้ยั่งยืนหรอกรวยพันล้านหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ตายไม่เหลือสักบาทเหมือนกับเราในแหละไม่ต้องหวั่นไหวแต่ชีวิตในโลกเข้าใจโลกอยู่กับมันอยู่แบบไม่ถูกมันทําร้ายเร่อยู่แบบไม่ทําร้ายโลก อยู่แบบถูกโลกทําลายก็ อ, อยู่แบบไม่เข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของโลกก็าบาดเจ็บไปกับโลกเรื่อยๆอยู่แบบทําลายโลกก็คืออยู่แบบไม่มีศีลมีธรรมก็ทําลายโลกทําเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมนั้นเราชาวพุทธ น, นะเราเพื่จะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ทุกข์มากเหมือนคนอื่นหรอก เตรียมตัวไปกินข้าวได้แนละ้ววันนี้เทศนึกถึงในหลวงรัชกาลที่เกนะ้าเนาะหลวงพ่อก็เลยเทศให้ฟังําทางมานั่งเราแค้อยังไม่เทศหรอกท่านสร้างความดีไว้เยอะเราก็คิดถึงท่านก็สร้างความดีตามท่านไปเหมือนท่านอยู่ในใจเราเวลาเราจะทําอะไรที่เห็นแค่ตัวนึกถึงท่าน ท่านไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยเหน็ดเหนื่อยยากลำบากไงท่านก็ไม่เห็นแก่ตัวการที่เรานึกถึงท่านนึกถึงคนดีนึกว่าเทวตารุสติใจก็จะมีสมาธิมีเที่ยวมีแรงต่อสู้กับความไม่ถูกต้องทั้งหลายต่อไปในชีวิตเราเนะชิญไปกินข้าว